พระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเหมือนกับคนทั่วๆไปแต่เป็นบุคคลพิเศษทั้งความรู้ความเห็นความประพฤติตลอดความบริสุทธิ์ให้มีโลกใดเหมือนพระพุทธเจ้าจึงเป็น แบบฉบับของโลกเรียกภาษาศาสดาของโลกก็คือแบบฉบับนั้นแหละภาวะที่สอนไว้ทุกแห่งทุกมุมออกมาจากแบบฉบับคือหลักฐานของใจที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วทั้งนั้นนั้นอุปายวิธีทุกประเภทที่ได้ประทานไว้ จึงเป็นธรรมะที่มีคุณค่ามากเราพูดจะดำเนินตามพระองค์ท่านโปรดให้มองดูหลักพระธรรมวินัยนี่คือทางดำเนินอย่างอีกจับ 2 แว่ไปจากทางที่กล่าวนี้ไม่มีที่จะ จากพ้นจากทุกข์ไปได้แม้แต่ทุกข์ขั้นหยำๆไม่ต้องกล่าวถึงขั้นละเอียดเลยผู้ดูและที่สนใจในพระธรรมนี่ในทุกระยะเชื่อว่าผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะ อาได้ปลีกและอภัยในขณะใดขณะนั้นคือว่าได้ปลีกไปออกแล้วจากพระพุทธเจ้าคือผู้บริสุทธิ์รีบมกกลับเข้ามาทันทีได้แก่ปรับปรุงความรู้ความเห็นความประพฤติของตนเสียใหม่ให้เข้าร่องรอยกับสวัคคตธรรมนี่คือว่าผู้ตามสดับพระองค์ท่านโดยตรง พระพุทธเจ้าได้ตรัสเสวยด้วยอุบายใดย่อมนําอุบายนั้นมาสอนสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชยิ่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากทางด้านพระวินัยทางด้านธรรมะสิ่งที่นักบวชเราปฏิบัติ ดูทุกวันทุกวันนี้ควรจะเป็นทางที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วอย่างราบรื่นไม่มีแม้ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในห้องใจว่าจะจริงหรือไม่ถ้าดําเนินตามบทธรรมบทนั้นบทนั้นนี่ไม่ให้มีข้อความใจ การมีธรรมาชาตินี้เป็นกิจของพระตามพระเดชกระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ท่านแม้จะเป็นกษัตริย์ฝ่ายทางโลกเนี่ยเป็นศาสดาในทางธรรมะก็ไม่ทรงลดละ ได้ดึกการบินถบังถือว่าเป็นประเพณีของนอกบุดนอกแก่พระพุทธเจ้าลงมาธรรมฉันก็เหมือนกันธรรมในบาตรก็มีพระวาจาสอนไว้ชั้นมือเดียวก็มีพระวาจาสอนไว้พระวาจาที่สอนไว้เหล่านี้ล้วนแต่เป็นธรรมเครื่องรับรองอยู่แล้ว เป็นขั้นๆสําหรับผู้ปฏิบัติจะดําเนินไปตามภูมิได้แค่ไหนในความสามารถของตนผู้ปฏิบัติจึงควรใช้ปัญญาไตร่ตรองไปตามหลักพระธรรมวินัยอย่าประพฤติตามความเคย ที่เป็นมาแล้วนักบวชเป็นประเภทที่พิจารณามากมีเหตุผลประจําตัวเสมอจึงจะจัดว่าเป็นนักบวชที่ลึกลึดหรือเป็นนักบวชที่คงไว้ซึ่งความไว้วางใจแก่ตนเองและหมู่คณะที่มาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นยังเป็นที่ ทรงไว้ซึ่งศาสนธรรมเพื่อประโยชน์แก่โลกด้วยเพราะศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแบบฉบับของโลกพระที่ดํารงเผดที่เรียกว่าศากยบุตรของพระพุทธเจ้าซึ่งชื่อว่าเป็นผู้ดํารงไว้ซึ่งศาสนาอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ของตน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 โดยเทียบกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดินกันนี่คือว่าเป็นผู้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลไปมาด้วยเหตุด้วยผลการกระทําการพูดการคิดทุกๆประโยคเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลคือว่าเป็นผู้จงไว้ซึ่งศาสนาสมบูรณ์ไปเป็นขั้นๆ การปฏิบัติต่อตนเองเป็นสิ่งสําคัญคือจะทําอย่างไรจึงจะเป็นการถูกต้องกับหลักพระธรรมวินัยยืนก็ให้ถูกต้องเดินนั่งนอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยธรรมพูดจิต ให้มีหลักพระธรรมวินัยเป็นแบบฉบับหรือเป็นเข็มทิศทางเดินไปเสมออย่าให้ติดคลานเรื่องความเป็นขึ้นในใจนั้นจะแสดงออกมาตามสิ่งที่มีอยู่ของใจแต่จะหาประมาณไม่ได้หากไม่ได้นำธรรมะเข้าไปจับหรือเที่ยบเถียงดูว่าถูกหรือผิด เราจะไม่มีทางแก้หรือไม่มีทางนะครับความผิดที่เกิดขึ้นจากใจตลอดเวลาได้แต่ผู้มีปัญญาซึ่งสมน้ํามากผู้ปฏิบัติต่อตนเองแล้วจะทราบความเคลื่อนไหวดีชั่วและจะทราบวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่กล่าวนี้ นั่นเป็นลำดับจงทําตัวให้เป็นแบบฉบับของตัวอันเป็นที่ไหลมาแห่งความเย็นใจอดมั่งติ่มบังก็เย็นใจถ้าปฏิบัติถูกและเข้มแข็งในอียาบททั้ง 4 จะอมียาบทใดเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์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 นี่คือหลักยึดเราจะไปยึดสิ่งภายนอกหรือเข้ามายึดส่วนภายในกายของเราว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ให้ความล่มเย็นเป็นสุขนั้นจะไม่สมหวังในสิ่งเหล่านี้เลยแต่ผู้ยึดหลักธรรมเป็นเครื่องนําเดิน สำนับใจอยู่เสมอผู้นั้นแลจะเป็นผู้ได้รับความเย็นใจใจเป็นสิ่งที่มีหลักแหล่งถ้าทําให้มีหลักแหล่งส่วนสิ่งต่างๆภายนอกเป็นเข้ามาถึงส่วนร่างกายไม่มีหลักและหลักแหล่งไม่มีกฎเกณฑ์เนี่ยประเหตุการจะมาทําลายเมื่อไหร่ก็จะสลายไปตามเรื่อง แห่งความไม่แน่แน่นอนของเขาเพื่อนใยของผู้มีธรรมจักเป็นที่แน่นอนต่อตนเองเสมอมีหลักความแน่นอนความไว้วางใจตนเองอยู่กับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี่คือหลักแม้จะอยู่ในโลกที่เป็นของเอียงแยบปนอยู่เสมอแต่ใจที่มีธรรมะจะไม่เอียงเอน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 นั่งอยู่ก็ให้เป็นพระอันสมบูรณ์ด้วยความเพียรมีสติปัญญากำกับรักษาเดินนอนในอิริยาบถทุกทิศทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวทุกอาการให้พระของเรามีความสมบูรณ์อยู่เสมอไม่ให้ผิดพลาดคลาดเผลอไปตามสิ่งเหล่านั้น ความทั้งเถอะเกิดจากความไม่สังวรระวังไม่ใช่เกิดจากความไม่สามารถถ้าสังวรระวังแล้วเรื่องความสามารถจะเป็นเงาตามขึ้นมาอย่าสงสัยในการปฏิบัติตนต่อตามพระธรรมวินัยเพื่อความปลดเปื้องทุกข์ทุกข์ทุกข์ขั้นของทุกข์หรือทุกข์ทุกข์ประเภทของทุกข์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 นี่เป็นเรื่องสําคัญการสังรวมอันแท้จริงหมายถึงการสังรวมมนีนี่เป็นส่วนละเอียดเข้ามาถ้าผู้มีความสังรวมระวังอยู่เสมอทั้งภายนอกทั้งภายในผู้นี้จะที่ว่าผู้สังสมความสามารถขึ้นมาใส่ตนเป็นนํา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 ไม่มีสติไม่มีปัญญาจะเอาอะไรมารับทั้งหล่มระหว่างการสร้างตัวให้มีความสามารถต้องสร้างกับความสังลมประมาณความขยันหมั่นเพียรเพียรณมาตรเหตุที่จะเกิดขึ้นจากตัวเองโดยไปวาดภาพจากสิ่งต่างๆมายุ่งกับใจแล้วก็หาว่า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 จิตใจของเราที่ออกไปวาดภาพนําเอาภาพนั้นเข้ามาเป็นยาผิดเผารนตนตนเองด้วยความไม่สังหนวมระหว่างนั่นแหละเป็นตัวเหตุอันสําคัญฉะนั้นคําว่าสังหนวมตนนี้จึงเป็นประโยชน์อันใหญ่มาก ภายในถ้ามีความสงวนภายในแล้วพอสัมผัสกันเข้าก็รู้เรื่องของใจว่าไปสัมผัสกับสิ่งนั้นแล้วมีตีความหมายไปต่างๆขึ้นมาภายในตัวเองแล้วมีทางที่จะแก้ไขกันได้กับตีความหมายไปทั้งรับหรือต่างสังมันเป็นเรื่องของใจเป็นผู้แสดงขึ้นมาเองโดยที่สิ่งที่เกี่ยวข้อง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 ถ้าหากมีความสังวรระวังอยู่แล้วแม้จะยังไม่สามารถที่จะปดเปื้อนแก้ไขกันได้ใครเด็ดขาดกับสิ่งภายนอกก็ตามแต่ก็เป็นบันไดที่จะสามารถให้ปดเปื้อนจากสิ่งนั้นได้ด้วยความสังวรระวังนี่แหละโปรดให้พากันถือเป็นหลักสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติอย่าได้ปล่อยธรรมะคือความสังวรระวังนี้ และอย่าเห็นว่าเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันโปรดให้เห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ที่สําคัญตั้งแต่ต้นตนถึงจุดหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังจะไม่นอกเหนือจากธรรมมากสังรวมนี้ไปได้เลยนี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านดําเนินมาคือความสังรวมระหว่างไม่ปล่อยพระองค์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 กับสิ่งเหล่านี้เพื่อมาเป็นข้าศัตรูทําให้พระองค์เสียประโยชน์แต่พยายามกําจัดปัดต่อสิ่งเหล่านี้ออกด้วยความพึงรวมระวังพระองค์มีความทั้งรวมระวังตลอดสายจนถึงวันจักรสรุ ไม่มีทางสายใดที่จะเหือดจากความสงบระงับนั้นไปได้เลยว่าได้แยกจากนี้แล้วได้ถึงความพ้นทุกข์ไม่มีเพราะ 3 ภพของพระองค์ท่านก็ดําเนินแบบเดียวกันพวกเราจะดําเนินแบบไหนถ้าไม่เดินแบบนี้แล้ว จะไม่มีทางดําเนินเพื่อความพ้นทุกข์แล้วตามที่พระพุทธเจ้าให้ทรัพย์และจะมีความบกพร่องหรือยุ่งเหยิงกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาหากแต่ปล่อยธรรมคือความสํารวมนี้ออกจากใจของตัวเองความประพฤติก็จะเผลอคําพูดก็จะหลิวไหล ใจที่คิดไม่มีที่ฐานภูมิเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีความสังรวมระหว่างเป็นผู้กํากับรักษาขนาดความสังรวมระหว่างจริงเป็นรากเหง้าอันสําคัญสําหรับนักบวช open page ที่งามนั้นโลกได้กราบม้ายบูชาและถือเป็นแบบฉบับสามารถจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าเป็นความชอบธรรมแต่การเสียสละของตนเพื่อนักบวชเหล่านั้นโดยไม่มีความเสียดายจะปล่อยตัว ถ้าอยากเป็นพระที่สํารวมระหว่างตนอย่าเป็นผู้ปล่อยใจการปล่อยใจนี้แหละเรียกว่าปล่อยตัวถ้าใจได้ปล่อยไปแล้วอาการทุกข์อย่างก็ปล่อยไปตามกันสิ่งที่จะพึงมุ่งหวังก็เป็นอันว่าปล่อยไปตามพันธุ์อีกไม่มีสิ่งใดจะเป็นผลประโยชน์สําหรับบุคคลผู้ปล่อยตนนั้นเลย นี่เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอมาไม่เคยลนลักถึงเนื่องกิจการของเราที่บำเพ็ญซึ่งมีความยากความลําบากแฝงอยู่ทุกหน้าที่ของงานว่าให้เดินไปจุดนั้นแหละยากหรือลําบากอย่าได้ปิดและถ้าเห็นเป็นความชอบธรรมและความสําเร็จจะต้อง มาถึงเนื้อมือจากการก้าวเดินฝ่าฝืนอุปสรรคนี้ไปได้แล้วให้มีความเต็มอกเต็มใจฝ่าฝืนไปจนได้ไม่ต้องลดลักนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าวิริยะจากเป็นสมบัติของเราความท้อถอยนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่เคยเห็นความท้อถอยความอ่อนแอนี้ไปทําประโยชน์ให้ทั้งทางโลกและทางธรรมได้เป็นที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ไหนเราเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจะมีความสนิทติดใจกับธรรมชุดลากให้จมลงเสมอ คือความท้อถอยก่อนแองมาบังคับปีกไก่ให้ก้าวเดินไปไม่ออกมีอย่างที่ไหนเรื่องของทุกข์ที่จะปรากฏขึ้นทางใดขอให้ตามดูเรื่องของทุกข์จนเห็นทุกข์โดยชัดเจนท่อ ปฏิปัญญาอันมีความเพียรเป็นเครื่องนู้นทุกข์จะเป็นอย่างไรบ้างจะเป็นของจริงตามพระพุทธเจ้าสอนไว้ไหมหรือไม่ความกลัวทุกข์กลัวไปเพื่ออะไรจงตามรู้ความกลัวทุกข์ให้เห็นถึงหลักฐานความจริงของความกลัวว่ามีสาระแก่นสารหรือมูลความจริงอยู่ที่ไหนตามลงไปให้เจอ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 ใจที่จะตามเส Emmanuel Thraffodaddia Seeingaría that, those who do welche in Thermaan свид adjective is perfect within a command world, not to whommagicinal Tábenic doctrine to find the truth in Dishilling, That was seemingly logical right there. So that this call, this means Merciful. Tomorrow is my ultimate desire, have sabe whichเส Abraham into a außer side world that describe the analogy of the world. melian Aishuthoress happeneth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 ด้วยอํานาจของมรรคคือการค้นคว้านี่แหละสัตว์โลกทุกแห่งทุกหนไม่มีผู้ใดที่จะกลัวอย่างอื่นมากยิ่งความความตายอันนี้เป็นสิ่งธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่มีอํานาจมากครอบงําสัตว์โลกไว้ทุกทั่วดินแดน ไม่มีใครสามารถกาเครื่องว่าจะเป็นผู้มีความกล้าหาญต่อความตายเพราะเห็นว่าความตายนั้นเป็นความจริงอันหนึ่งเสมอปะเสมอเอ่อกับสภาวะทั่วๆไปในแหล่งแห่งโลกทานฉะนั้นพวกเราทั้งทั้งที่กลัวจึงหาทางออกมานั่นเพราะกลัวด้วยความไม่ชอบธรรมการสอบแสวง หาความอดทนจะได้ความชอบธรรมมาจากไหนพอปฏิบัติก้าวไปถึงแค่ฌานของทุกข์ยังไม่ถึงตัวทุกข์เลยก็กลัวแล้วถอยหลังกลับแล้วยังไม่ถึงเรื่องของความตายเลยเพียงบริวารของความตายก็คือความทุกข์และก้าวไปเพียงยังฌานฉลาอ่ะ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 ซึ่งองค์ท่านได้ทรงผ่านมาแล้วและประกาศไว้นี้เรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องความกลัวทุกข์ก็ดีเรื่องความตายก็ดีจะไม่เหนือวิสัยของผู้ตามค้นหาความจริงนี้ได้เลยจะต้องรู้เป็นความจริงขึ้นมาทั้งความกลัวทั้งเรื่องของทุกข์ทั้งความกลัวตายทั้งเรื่องของความตาย แล้วจะเห็นเป็นเรื่องความจริงเสมอภาคกันหมดในไตรโลกธัมม์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าอะไรหนักเบากว่าอะไรเพราะมันเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างแล้วจิตจะไปกังวลกับอะไรเมื่อจิตได้อย่างถึงมูลความจริงคําว่าสมุทัยนี้เป็นได้ทั้งส่วนใหญ่ส่วนกลางส่วนละเอียดเอาอย่างให้ทราบทั้งหมดยากให้เหลือหลอกันได้ มีซากแห่งสมุทัยอยู่ภายในใจตรงนั้นเลยเรื่องของทุกข์จะมีส่วนมีทางกายหรือจะมีทางหน้าทางภายในจิตใจตามดูให้เห็นชัดน่ะด้วยอํานาจของสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องมือสติปัญญาเมื่อได้พาดําเนินหรือ ภาทํางานหรือส่งเสริมอยู่เสมอจะเป็นสติปัญญาที่มีความแก้วกล้าสามารถอาจรู้ได้ทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของทุกข์ของสมุทัยได้โดยตลอดทั่วถึงแม้อนิโลธะคือความดับสนิท จะเริ่มรู้ตั้งแต่ความเริ่มดับแห่งสมุทธังเป็นลําดับหรือความดับทุกข์ที่มีสมุทัยเป็นสาเหตุเป็นลําดับลําดับไปจนถึงดับขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าดับไม่เหลือนิโรธะคือดับทุกข์ เนื่องจากสมุทรไทยดับไปด้วยอํานาจของปัญญานี้โลธะจะแสดงตัวออกมาตลอดสายเพราะอํานาจของมรรคเป็นผู้ทํางานผลกิริกผลออกมาเลยด้วยผลจึงเป็นเรื่องของความดับทุกข์เข้าไปเป็นขั้นๆเมื่อถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่ได้ทํางานอย่างเต็มที่แล้วผลอันสุดยอดคือความดับสนิทโดยไม่เหลือ จะเป็นสิ่งที่รู้แจ้งกันในที่นั้นการรู้แจ้งสัจธรรมทั้ง 4 จะนี้จะไม่รู้ที่ไหนนอกจากจะรู้ที่จุดของสัจธรรมทั้งจะ 4 นี้สถิตอยู่เท่านั้นไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นจะหาความพ้นทุกข์นอกไปจากทุกข์จากสมุทัยที่กําลังเป็นข้าศึกกันกับเราอยู่เวลานี้ด้วยอํานาจของมรรคคือข้อปฏิบัติ มีสติปัญญาเป็นผู้เดินหน้าชัดธรรมทั้ง 4 นี้จะไม่มีทางลี้รับและซ่อนตัวได้ที่ไหนทุกข์ก็จะเห็นกันได้ชัดเจนสมุทัยก็จะรู้ได้และถอนได้จนหมดชั่วด้วยอํานาจของมรรคที่มีกําลังเป็นลําดับๆจนเต็มกําลังของตน เมื่อนิโรธก็จะเห็นความดับเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงดับสนิทไม่มีอันใดเหลือธรรมทั้ง 4 นี้เมื่อได้ถูกปั่นธรรมที่กล่าวนี้เมื่อปัญญาได้หยั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้ว ร่างกายเป็นความจริงเสมอกันหมดคือทุกข์ก็เป็นความจริงฝ่ายอันหนึ่งสมุทัยเป็นความจริงอันหนึ่งมรรคก็เป็นความจริงอันหนึ่งนิโรธะก็เป็นความจริงอันด้วยใจจริงที่ไม่ได้เป็นความจริงตามความขาดหมายตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่เป็นความจริงประจักษ์กับปัญญาของผู้นั้น โดยที่ไม่มีข้อข้องใจสงสัยแน่แท้น้อยแม้จะไม่มีใครมาบอกกล่าวก็ตามแต่ความจริงอันนี้จะแสดงตัวขึ้นมาด้วยอํานาจของสติปัญญาอย่างเด่นชัดพร้อมทั้งรู้ว่าสติปัญญาที่เป็นเรื่องของมรรคก็เป็นความจริงประเภทหนึ่งอ้าวถ้าจะพูดถึงเรื่องนิพพานใครจะเอาสัจจะทั้ง 4 นี้ไปนิพพานได้พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์ใครจะเอาสัจจะทั้ง 4 นี้ เป็นผู้บริสุทธิ์ได้ไม่มีทุกข์ต้องเป็นทุกข์จะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้สมุทัยก็เป็นสมุทัยจะให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นิโรธก็เป็นนิโรธดับทุกข์แล้วหายตัวไปเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้มรรคก็เป็นเครื่องแก้แก้หมดแล้วให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เหมือนกับเครื่องมือที่เราทํางานเครื่องมือนั้นจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนไม่ได้ ธรรมชาติที่รู้สัจจะทั้ง 4 นี่คืออะไรนั่นแหละเพราะการปฏิบัติให้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้ง 4 ก็เพื่อธรรมชาตินี้เมื่อสัจจะได้แยกตัวออกจากเป็นความจริงแต่ละอย่างๆแล้วธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนจะอยู่ในท่ามกลางแห่งสัจจะทั้ง 4 นี้แต่ไม่ใช่สัจจะทั้ง 4 ก็เวลานี้สัจจะทั้ง 4 นี้อยู่ที่ไหนเราจะไปหาแห่งหนตำบลไหนมัชฌิมาปฏิปทาเราจะเดินไปไหนถ้าไม่เดินเข้ามาเพื่อรู้สัจจะทั้ง 4 นี้ไม่มีทางเลยไม่มีทางแก้ทุกข์ไม่มีทางถอนทุกข์ออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีความมอยสุดอย่างเต็มที่ถ้าไม่พิจารณาเข้ามาที่นี่เนี่ยมรรค ปฏิบัติมรรคปฏิปทาดําเนินเข้ามาจุดนี้เรากลัวตายเวลาบําเพ็ญความเพียรมีความทุกข์ความลําบากบ้างเรากลัวตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนพิจารณาดูสิท่านนักปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นผู้กล้าเอาไปด้วยกันจงพยายามรู้เรื่องคํากลัวตาย ให้เข้าถึงรากฐานของความกลัวคืออะไรถ้าไม่ใช่ตัวสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรนี่ตามการตามรู้นั้นถ้าไม่ใช่มรรคแล้วจะเป็นอะไรน่ะถ้ารู้กันถึงฐานของสมุทัยด้วยอํานาจของมรรคอย่างเต็มที่แล้วจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ชนิดภายในจิตใจเมื่อกระจับทั้ง 4 นี้ได้ทํางาน ได้ปฏิบัติต่อกันโดยสมมุติแล้วความไม่สุจริตจะหามาจากไหนนั่นคือความหายงงงงก็ยุ่งจากสัจจะทั้ง 4 เนี่ยโดยที่ใจไม่เห็นว่าเป็นของจริงมันก็กลายเป็นเรื่องฆ่าติดต่อกันเสมอพอต่างได้ทราบปัญญาได้ทราบว่าสิ่งทุกสิ่งเป็นของจริงแล้วในสัจจะทั้ง 4 นี้แล้วก็หมดปัญหากันไปหาพระนิพพานก็ไม่จําเป็น พระนิพพานไม่นอกไปจากสัจจะนี้ปฏิปทาที่พระองค์ท่านสอนก็ไม่สอนไปนอกจากสัจจะนี้สอนลงสุดจุดนี้ก็สัจจะทั้งสีนี้อยู่ที่ไหนเวลานี้น่ะอยู่กับตัวของเราทุกท่านก็เมื่อการก้าวไปเพื่อความหมดจบหรือเพื่อพระนิพพานจะก้าวไปไหนถ้าไม่ก้าวเข้าไปหาสัจจะธรรมทั้งสีนี้ถ้าเห็นเป็นความจริงอย่างข้อมูลตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่าสัจจะเป็นของจริงนอกจากนี้แล้วจะกลายเป็นเรื่องของปลอมทั้งนั้น ไม่มีอะไรจริงสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงถ้าแยกออกจากสัจจะหรือเห็นสัจจะทั้ง 4 นี้ว่าเป็นค่าศึกต่อตนแล้วจะเป็นผู้ปลอมเสมอไปจะหาของจริงไม่ได้ฉะนั้นโปรดพิจารณาถึงรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีมูลความจริงเพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงยืนกันเป็นหลักของศาสนาด้วยว่าฉัตร สัจจะทั้ง 3 คือทุกขังอริยสัจนี่คือหลักกรากฐานของศาสนาเป็นมานานแล้วมีมานานแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ข้อของจริงเหล่านี้ปฏิบัติตนให้ดีถ้าอยากจะเห็นความบริสุทธิ์ว่าอยู่ที่ไหนแน่ อยู่ที่ทุกข์หรืออยู่ที่สมุทัยหรืออยู่ที่มรรคหรืออยู่ที่นิโรธเอาพิจารณาลงให้ให้เห็นไม่ต้องไปให้คนอื่นตัดสินตัวเองเพราะศาสนธรรมสอนไว้ทุกๆบททุกบาทและเพื่อเราทุกๆคนทุกๆท่านมีสิทธิจะปฏิบัติโดยตัวเองและคําว่าสันธิธิโกจะต้องรู้เองเห็นเองนี้ก็มีอยู่ในบทธรรมนี้แล้วคือการปฏิบัติของพวกเราเอาพิจารณาให้ถึง ถ้าจะทั้งสิ้นเป็นอะไรความบริสุทธิ์นั้นเป็นอะไรจะไม่มีปัญหาไปถามใครด้วยพอได้ถ้าผู้หลวงตัจฉ์ทั้งสี่นี่ก็คือเราซะเองไม่ใช่ผู้ใดผู้หนึ่งมาหลงให้เราไหนจะจําเป็นจะต้องไปให้ผู้อื่นมา ตอบแผนเรามารู้แทนหนอมีอย่างที่ไหนในหลักธรรมไม่มีเออเราเป็นคนหิวใช่เองเราต้องเป็นคนรับทานให้เห็นความอิ่มให้เห็นความอร่อยถลอยรสชาติแห่งอาหารด้วยลิ้นของเราเห็นความอิ่มน้ําทําลานด้วยธาตุด้วยการรับทานของอิอิน้ําทําลานในธาตุด้วยการรับทานของเราเอาทุกข์เราก็ยอมรับจะปฏิบัติตามหลักสัจจะสัจจะ ทำว่าทุกข์ก็ไม่เป็นค่าศึกต่อบุคคลแต่บุคคลฮะเป็นค่าศึกต่อตัวแท้เองเหมือนอย่างไฟนี่เรื่องของไฟก็ไม่ทราบความหมายของตัวเองว่าร้อนหรือหนาวหรืออ้อร้อนหรือเย็นอะไรแต่มันสําคัญที่ผู้ไปสัมผัสกับไฟได้รับความทุกข์ความร้อนน่ะผู้ที่เข้าไปสัมผัสกับทุกข์นี่สิคือใครคลิปกลัวทุกข์แต่ได้เกี่ยวพันกับทุกข์อยู่ตลอดเวลาร้องวุ่นวายวุ่นวายว่าทุกข์ว่าทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้ ยิ่งสังสมพัวพันทุกข์ตลอดนี่น่ะเนี่ยแต่ว่ายังไงต้องเป็นนักสังเกตถ้าปฏิบัติไม่ใช่นักพวดพรากไม่ใช่คนจักจบทําอะไรต้องให้มีเหตุมีผลไปพร้อมมูลภายในตัวของเราอย่าทําแบบสุ่มๆ จงไปหาให้ถามครูถามอาจารย์ถามหมู่เพื่อนอย่ากล้าเดาอย่ากล้าเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเสี่ยงในสิ่งที่ไม่ควรเดาให้ถามเหตุถามผลให้สังเกตดูเหตุดูผลด้วยการกระทําของตนที่กําลังกระทําไปเสมอเสมออย่าอย่าทําแบบขอไปที เพราะศาสนาคือคําสอนของพระเจ้าที่เป็นฝ่ายดีก็ดีฝ่ายผนก็ดีไม่มีบทใดว่าขอไปทีผู้ปฏิบัติจึงจะมาปฏิบัติเพื่อขอไปทีเช่นนี้ไม่ถูกกันไม่เข้ากับหลักศาสนาแม้จะเป็นผู้ประกาศตนว่าถือพระศาสนาก็สักแต่ว่าชื่อแต่ไม่คงตามหลักความจริงของศาสนาโอเคนั้นไหนเราจะมาขอไปทีอยู่ไปวัน 1 วันเพ 1 พอให้ผ่านพ้นไปไม่เป็นประโยชน์อะไรต้องดูด้วยข้อปฏิบัติต้องอยู่ด้วยการคิดการไตร่ตรองดูเหตุดูผลให้รู้ชัดภายนอกก็ให้มีเหตุมีผลภายในก็ให้มีเหตุมีผลความเพียรทุกประโยชน์ให้สังเกตสอบรู้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องไปด้วยเหตุด้วยผลจะเห็นทางปวดเปื้อนเห็นทางผิดทางถูกของตนเองและมีทางที่จะแก้ไขหากไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอด เพราะศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นธรรมที่โง่พอจะสอนโลกให้นอนหลับป่านไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดเป็นธรรมที่เป็นแบบชมับเป็นแนวทางเป็นเข็มทิศทางเดินเนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดพอแล้วไม่มีใครจะเสมอเหมือนธรรมะที่ประสิทธิ์ประสาดออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์และฉลาดของพระพุทธเจ้านั้นจะกลายเป็นธรรมะ โง่และสอนคนให้โง่ผู้ปฏิบัติธรรมะเป็นคนโง่ไปหมดมีอย่างที่ไหนไม่มีในหลักพุทธศาสนาของเราพระท่านจงพยายามฝึกตัวให้เป็นผู้มีความฉลาดรอบคอบกับหน้าที่การงานและข้อปฏิบัติของตนทั้งภายนอกภายในนี้จะสมนามว่าเป็นลูกศิษย์ตถาคตซึ่งประสิทธิ์ประสาทธรรมะไว้เพื่อสอนคนเพื่อคนให้ฉลาด แห่งของกิจทานได้รู้รอบตัวอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดจะสงสัยภายในตัวเองเลยจะไม่มีอะไรที่จะเป็นข้อหงุดหงิดข้องใจนับแต่ขณะได้รู้รอบไปเนี่ยคือรู้รอบสัจจะนั่นเองรู้รอบสัจจะทั้ง 4 รู้รอบตน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวความรับผิดชอบอยู่ในสัจจะทั้ง 4 นั่นแหละที่ว่าหมดค่าศึกก็หมดที่นั่นหมดความกลัวก็หมดที่นั่นรู้ความกลัวเราก็รู้หมดแล้วเรื่องอดีตจะคือความเป็นมาของกิจเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติรู้ในหลักปัจจุบันนี้เป็นสัจธิประยานยืนยันได้ว่าผู้นี้แลเป็นผู้พาให้เกิดให้ตาย อนาคตการข้างหน้าก็คือผู้นี้แหละจะเป็นผู้ก้าวไปแต่บัดนี้ผู้นี้ได้รอบสิ่งเกี่ยวข้องรู้ถึงที่จะผลักดันให้หมุนไปต่างๆแล้วด้วยปัญญาได้สลัดตัดทิ้งกันแล้วกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งเคยเป็นมาและจะเป็นไปข้างหน้าไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ผลักดันอีกแล้วนี่คือความบริสุทธิ์เป็นปัจจุบันธรรมล้วนๆนี่แหละปัจจุบันธรรมนี่แหละเป็นสิ่ง เป็นธรรมชาติที่ตัดมูลเหตุที่จะก่อภพก่อชาติก่อทุกข์ทุกประเภทขึ้นมาภายในใจได้คลี่คลายตัวเองออกหมดจากสิ่งที่เคยปิดบังนี้นับเราจะให้ชื่อให้นามอะไรก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับธรรมชาตินั้นขอทุกท่านจงนําไปพิจารณาทําความเข้มแข็ง อยากให้อ่อนแอศึกษาปฏิบัติไปทุกวันทุกวันให้มีความเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันจิตใจให้จะได้รับความย่ำเย็นเป็นสุขมีสุขภายในจิตใจแม้ภายนอกจะเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นปัญหาจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงตรงนี้